พีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เวลาของรายการสันนิษฐาีสนทนาปี2557นะคะทางสถานีวิทยุครอบครัข่าวเอฟเอดำเนินรายการโดยสรันรนิษฐานนาคพงค่ะวันนี้ก็ยังเป็นพระอาจารย์ภัยบูลอภิปุณโวั์ปาดอนไฮโซเช่นเคยนะคะที่จะมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยผู้ทวจนะให้กับท่านกราบมาพิ ก, การค่ะท่านคะนายบาลค่ะวันนี้มีคําถามแรกซึ่งติดค้างไว้นานแล้ว อ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นผู้ช่วยช่วยให้คนอื่นทําผิดศีล oh. เราจะผิดศีลไปด้วยหรือเปล่าคะแล้วก็ยกตัวอย่างคำถามนะคะว่าที่บริษัทมีลูกค้าอยู่รายหนึ่งฝ่ oh. ายจัดซื้อของเขาต้องการโกงเงินบริษัท oh. โดยให้เราออกบินขายแล้วบวกเพิ่มราคาไปในบินเพื่อนําเงินส่วนเกินนั้นจ่ายเป็นค่าคอมมิชชั่นให้กับเขาการกระทาเช่นนี้เราจะผิดศีลข้อสอง ทินาธานาเวรมณีไหมคะถ้าเผื่อว่าคอมมิชชั่นนั้นมาถึงเร า, าในกรณี้คือไปถึงเขาก่อนใช่ไหมไม่ได้มาถึงเราคือถ้ า, ถ, าถ้าเราร่วมมีส่วนร่วมรับรับเจ้าเงินนั้นมาด้วยเนี่ยอันนี้คื อ, คอเราได้บาปแน่ได้บาปแน่ เ, เพราะว่าอย่างสมมติตํารวจเขาไปเจอคนเล่นไพ่อย่างเงี้ยแต่เราไปยืนอยู่ในวงไพ่เฉยแต่เราไม่ได้ตีไพ่กัเขาด้วยนะ คุณก็โดนจับไปด้วยคุณทุกคนโดนจับหมดนะเช่นเดียวกันในกรณีเนี่ยเราไม่ได้ไปทําชั่วเขาแต่เรารู้เห็นด้วยเรารู้เห็นด้วยแต่เราไม่ได้เราได้รับผลประโยชน์มาอันนี้คือโดนแน่นอนนะในทางกฎหมายก็โดนด้วยนะทีนี้ถ้าเผิ่ว่าในกรณีอย่างที่เขายกตัวยอย่างเนี่ยว่าเราไม่ได้รับเราไม่ได้รับแล้วเขารับแต่ว่าเขาให้เราช่วยแก้เอกสาระอะไรต่างๆให้เราจะมีความผิดไปด้วยหรือไม่เราจะมีความผิดในข้อที่ เห็นบอกว่าไม่เห็นหรือว่าเท่านี้บอกอีกแบบหนึ่งก็จะหมาคือผิดข้อโกหกผิดข้อโกหกไม่ได้ผิด<ะ>ข้ออธินาทานแต่ผิดข้อ<ะ>มุสาวด<ม>ทีนี้บาปมันก็เกิดขึ้นละแตนี้การที่เราทําอย่างเงี้ยก็ชื่อว่าเหมือนกับไปแบ่งบาปเข้ามาในกรณีนี้ก็ยังมีอีกนะคุณโยมเด<ะ>ี๋ยวที่พูดถึงว่าอย่างสมมุติบางทีหัวหน้าต้องการโกงเงี้ยก็เลยต้องบอกให้ลูกน้องทําอย่างนี้ นะคุณออกเอกสารอย่างนี้แล้วก็เอาเงินมาแบ่งให้เราด้วยนะคือถ้า <c oughs> เรารับเงินนั้นมาเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการโกงด้วยเราก็จะ <c oughs> เป็นจะต้องมีการเออรักษาตัวเองด้วย <c oughs> รูปแบบต่างๆบ้างอาจจะบันทึกเป็นเอกสารหรือว่าเรื่องนี้บางทีมันบอกใครไม่ได้อย่างน้อยก็มีการบันทึกเก็บไว้เป็นข้อมูลไว้ว่าเวลามีการตรวจสอบเราก็จะได้พ้นจากภัยนั้นๆได้บ้างนะค่ะพูดถึงกรณีแบบเนี้ยมีไม่น้อยทีเดียวนะคะบางทีเป็นองค์กร ที่โอ้เหมือนกับเป็นสถาบันสำคัญสำคัญแล้วคนอยู่ใต้องค์กรก็บอกว่าเป็นคนที่แมศรัทธาต่อสถาบันมากแต่เมื่อถึงเวลาจะต้องมีอะไรเกี่ยวกับเงินเงินทองทองก็จะทำกรณีนี้ที่ฉันเคยได้ยินมาใช่นะคะทีนี้กรณีแบบเติมน้ำมันนะคะยังเคยเห็นตอมน้ำมันเราเลียเเ้ยวเข้าไปจอดปุ๊บคงจะมีคนที่มาขอให้เขาเขียนบินปลอมสมมติว่า ไม่ได้ซื้อจริงมาให้ช่วยเขียนจริงคือหมายถึงว่าซื้อเท่านี้แต่ให้เขียนมากคล้ายๆแบบเนี้ยอืมเขาติดป้ายไว้เลยทั้งกาโก็บที่นี่ไม่รับเขียนบินที่ผิดจากความจริงออประมาณเนี้ยน ะ, ะนยซึ่งซึ่งตรงนี้มันเป็นการบ่งบอกนะว่าคือเขาก็กลัวบาสนะ่ ะ, ะเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่เราต้องสร้างสารรค์ให้มันมีในสังคมมากนะใช่ไหมคะมซึ่งซึ่งดีฉันว่าอันเนี้ย สำคัญจริงๆเลยคือเหมือนกับถ้าเราไปช่วยช่วยให้มันเกิดการทุจริตสำเร็จเนี่ยคือเราก็แบ่งบาปก็มาละบางังนเถอะใช่ค่ะทีนี้เหมือนกับบางคนเนี่ยกลัวค้าขายไม่ได้ก็เลยก็เลยต้องยอมทำอืาอาจจะธุรกิจถ้าไม่มีลูกค้าเจ้านี้แล้วก็ไม่รู้จะไปขายใครด้วยหรือเปล่าเนี่ไม่ทราบนะคะ ซึ่งตรงนี้มันมันเริ่มจะมีมากขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็อย่างบางทีความผิดแล้ก็ทำชนิดที่เรียกว่าคือไม่เกรงใจใครไม่เกรงกลัวฟ้าดินไม่กลัวบาปกลัวอะไรเอ่อซึ่งเราต้องต้องพยายามที่จะอบรมให้คนมีความรู้ให้คนมันมีสําสำนึกผิดชอบช่วดีไว้เงี้นันเถอะคือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ละอายต่อ บ, บาปใช่มีหีริภาษาพระมีไหมค ะ, ะมีอตตปะนะคือความ กลัวในโอตปะเิริคือความกลัวโอตปะคือความละอายตบอะไรอย่างนี้นะคะซึ่ง อ, อันนี้ค่ะก็เป็นการตอบคําถามของผู้ที่ถามมาก็แล้วกันแต่ว่าถ้าเรื่องที่สืบเนื่องมากไปกว่านี้ก็คือว่าทำเนี่ยยังไงมันก็บาปถูกไหมคะทำยังไงมันก็เป็นกรรมใช่ทุกการกระทําใช่ใช่ทีนี้ถ้าสมมตินในกรณีอย่างเนี้ยเราจะเอาตัวรอดอย่างไรค่ ะ, ะเราก็อันดับแรกเราต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาเราแน่นอน แตนะ่ถ้าเราเป็นผู้ทำหนะ้าที่ออกบินนะเราต้องบอกผู้มีคำปัญชากราก่อนว่าเอ้ลูกค้าคนนี้ถ้าทํทำอย่างนี้นะคุณโอเคไหมถ้าคุณโอเคคือถ้าเราทำตามที่นายสั่งแตนะ่ถ้าจิตเราเป็นอย่างนี้นะนายสั่งเราทำอันนี้ไม่บาปนะเพราะอะไรเพราะว่าเราทำตามที่นายสั่งนะลูกน้องเนี่ยทำกิจการงานที่นายมอบหมายให้อย่างดีที่สุดอันนี้เป็นเรื่องของที่ต้อง 6, ที่ต้งหกนะดีที่สุดเลยใช่ดีอยู่แล้ว คือคืนนี้เราไม่ได้ว่าเราโยนบาปไปให้หัวหน้านะแต่หมายความว่าเราต้องรู้จักเอาตัวรอดนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเราแบบจงใจเขียนผิดเอ้ฉันร้อยเขียนร้อยี่สิบอย่างเงี้ยเฮ้ยเรารู้มันผิดนี่วะไอ้จิตตรงนั้นเนะ่ยมันเป็นเครื่องข้องในใจเรานั่นคือบาปที่เกิดขึ้นนะแต่นี้เราก็ไปถทำหัวหน้าไอ้หัวหน้างานนี้ให้ทําไงเขาบอกงี้หัวหน้าบอกงั้นกูก็เขียนร้อยยี่สิบสเราก็เขียนร้อยี่ิบไปตามที่หัวหน้าบอกอันนี้มันพอเอาตัวรอดได้บ้าง <laughs> เอาเป็นว่ า, าถ้าไม่ทำได้ดีที่สุดใช่ใช่ใช่ใ่อย่างนี้ดีไหมค ะ, ะนะคะเพราะแต่ฉันเองเนี่ยก็เห็นปัญหาของสังคมไทยไม่แตกต่างจากคนอื่นแต่ทีนี้เราถามตัวเองว่าทำไมมันแก้ยากนะคะดิฉัง <ๆ S 2> คิดว่าแก้คนอื่ น, นแก้ยากจริงๆก็เริ่มต้นด้วยตัวเราในขณะเดียวกันกฎระเบียบที่มีต้องใช้ นะคะแล้วทําอย่างไรจึงจะให้คนเคารพกฎระเบียบก็คือคนที่มีหน้าที่รักษากฎระเบียบก็ต้องรักษาให้เข้มแข็งอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่ต้องนําไปสู่การแก้ไขนะคะใช่ใช่ค่ะแล้วก็เราก็หวังว่าถ้าเป็นคนที่เคารพทำเอาแค่ศีลก็น่าจะอยู่นะคะสําหรับเรื่องพวกนี้โอ้แน่นอนเลยถ้าเรามีไล่ตั้งแต่พนักงาน อหัวหน้า ง, งานจนถึงบุคคลทุกคนในโลกถ้ามีศีลหเนี่ยอในแค่ในประเทศพอเนี่ยโอ้จะดีมากเลยค่ะเพ<อ>่านคะคือดิฉันได้ฟังบทสัมภาษณ์ของนางสาวไทยนางสาวไทยหรือนางสาวอะไรประมาณเนี้ยนะคะที่เป็นระดับชาติเนี่ยคนใหม่เขาก็ให้สัมภาษณ์ในทานองที่ว่าคุณค่าที่เขาอยากพูดถึงก็คือเขาเป็นคนรักษาศีล อ้ิฉันฟังแล้วมีความรู้สึกโหสาวด้วยสวยด้วยมีความคิดแบบนี้มีพฤติกรรมที่ดีด้วยน่าจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับคนรุ่นถัดๆมารักษาศีลแล้วได้เป็นนางสาวไทยบางคนบอกโอ้หน้าสนใจอืมถ้าไม่ได้เป็นนางสาวไทยแล้วรักษาศีลไม่ได้ประโยชน์อะไรอีกท่านคะโอ<ฮ>้ได้ผลมากกว่านั้น <c oughs> มากนะแล้ว <c oughs> ได้เป็นนางสาวไทยนี่คือแค่ปีเดียว น, นปีหน้า <c oughs> คนอื่นมาใหมล่ละจบ <c oughs> ใช่ปะ แต่ว่าถ้าเรารักษาศีนี่มันจึงเป็นใบเพื่อความสุขตลอดกาลนานอะไรบ้างนะ ใ, ในปัจจุบันนี้คุณมีวันนะ ง, งามได้นะัคือคือวันณะเนี่ยคือความงามเนี่ยมันที่ผิวพรรณเนี่ยคือมันแค่อายุ30เท่านั้นแหละนะจากนั้นไปเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจของเราแหละนะถ้าจิตใจเรามีศีลพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าศีนเป็นใบเพื่อวันนะนะคนที่มีศีลคือมีวันนะ ง, งามนะอันนี้ที่หนึ่งสองโพคาซับด้วยนะโภคทซัพย์เรามีศีนเนี่ย เราในศีลเนี่ยมันมีความพอของมันอยู่ในตัวนะ <c oughs> อะไรที่จะเป็นโพคทซัพ์อย่างยิ่งยิ่งกว่าความสันโดษเนี่ยความพอเนี่ยมันไม่มีแล้วนะก็จะพอใจในการที่เราได้ปฏิบัติตามศีนะลตอนนี้เราก็รวยขึ้นมาละมีโพคาซัข์ขึ้นมาลนะแล้วก็ยังพูดถึงสวรรค์นนะในตายไปชื่อเสียงอกีกเอาชื่อเสียงก่อนนะอยอดชื่อเสียงคนเขาจะมาโจดเราว่าเราเป็นคนผิดศีลไม่ได้เลยเพราะว่าเรามีศีลถ้าเขาโจดเขาก็ไม่มีมูล เนะี่โจด้กยคำไม่จริงมันไม่มีทางที่จะผิดตายเนะีเพราะเรามีศีลอันนี้ก็ชื่อเสียงกระจนกระจายไปละค่ะท่านะอขอยกตัวอย่างท่านหนึ่งนะคะคราวที่ได้พูดถึงว่าท่านไปอินเดียเนท่านไปร่วมกับสุภาพสตรีสาวสวยคนหนึ่งเราก็สนใจตั้งแต่เดินทางด้วยกันเออผู้หญิงคนนี้สวยมาเข้ามาหาคุณแม่ก็ได้ทราบว่าจบอเมริกาหรืออะไรเงี้ยน ะ, ะจบเมืองนอกอะ่ะการศึกษาดีครอบครัวดีและกําลังจะประกวดนางงาม เข้ามาในยเขาปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็รักษาศีลมาตลอดก็กลับไปเขาได้เป็นนางงามเบอร์หนึ่งของประเทศเนี่ยค่ะชื่อคุณชุติมาดูรงเดชอะไรเงี้เนี่ยนะคะ oh. นั้นก็โอ้สีลนี่ก็ส่งให้อันนั้นก็เป็นอีกคนหนึ่งคนละคนกับที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะ <S <S 2> <S 2> <S ในธรรมนองเนี่ยแต่ดีฉันว่าเรื่องความสวยมันก็เป็นเรื่องหนึง่งเรื่องที่เขาได้นางงามก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่เข้าใจว่าในการที่เขาปฏิบัติตนอ่าถูกต้อง ตามคลองธรรมเนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความงามที่งามทั้งจิตใจแล้วก็สะท้อนออกมาภายนอกจนชนะใจกรรมการแล้วเชื่อว่าหนทางชีวิตของคนแบบนี้น่าจะเดินไปได้ด้วยดีที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็อยากจะให้ท่านทั้งหลา ย, ยนะได้เห็นตัวอย่างของบุคคลว่าบางทีเราอจจะคิดว่าคนที่เป็นคนสวยคนงามเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่เขาให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้แต่ว่าได้เห็นเป็นตัวอย่างนะคะ Hmm. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งใครกำลังท้องเนี่ยดิฉนเคยอยู่ในอำเภอเล็กๆที่มีกำนันแล้วเขามีลูกสวยทุกคนเลยค่ะ hmm. แต่ว่าคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยไม่ได้หล่อไม่ได้สวยคุณแม่ดิฉันก็ถามท่านทั้งสองเนี่ยว่าทําไม <c oughs> คุณน้าก็ไม่สวยเนี่ยถึงมีลูกสวย hmm. ท่านก็บอกว่าท่านรักษาศีลปฏิบัติธรรมตอนท้องตลอด hmm. คือรักษา ร, รักษาตลอดชีวิตแต่ว่าอย่างนั้นเถอะค่ะเนอะอันนี้เป็นเรื่องดีๆของตัวอย่างของคนที่ทําดีแล้วได้ดีเนี่ยเราต้องเอามาบอกม า, ก, มากๆพูดมากๆเลยไหมคุณยมติวเพราะว่าเวลาจิตของคนเราทั่วๆไปเนี่ยถ้าตริตรึกในเรื่องใดๆามากเนี่ยจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสมมติในทางตรขงข้ามถ้าหนังสือพิมพ์ลงเขาไม่ดีไม่ดีเยอะยะเนี่ยจิตคนก็จะน้อมไปในทางไม่ดีมันก็จะค่อยเสื่อมลงเสื่อมลง ในทางตรงข้ามถ้าเราเอาเรื่องดีๆมาพูดขึ้นแต่คนนั้นทำดีคนนี้ทำดีคนนี้ให้ทางคนนั้นไปปฏิบัติธรรมจิตมันก็จะน้อมไปในทางดีๆมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอย่างนี้ค่ะ<ม>อย่างกับที่บางคนบอกว่าอาชีพนักการเมืองมักเป็นคนที่ทุจริต<ม>นะคะ<ม>เป็นคนเลวอย่างนี้นะคะ<ม>งนั้นก็อยากจะพูดว่าที่ฉันมีเพื่อนเป็นนักการเมืองอ<ม>ืหลายคนทีเดียวที่เขาเป็นคนอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอืแล้วดีฉันภูมิใจมากนะคะที่ ได้มีเพื่อนที่เป็นนักการเมืองแล้วเป็นคนแบบนี้แต่ว่าถ้าจะยกตัวอย่างไปช่วงนี้พอดีเป็นช่วงกรษฎีกาเลือกตั้งเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามาพูดเพื่อหาคะแนนให้ใครแต่มันมีตัวอย่างจริ ง, รงๆแล้วชื่นใจค่ะว่าทุกขันรอในการก้าวของอาชีพนี้เขาก็ทำแบบเป็นคนมีธรรมนะคะก็ เลยจะยกตัวอย่างเอาไว้อย่างที่ท่านพิมบูลพูดดิฉันอยากให้สื่อเนี่ยพูดถึงเรื่องดีๆให้เยอะมากขึ้นในประเทศเรา<ช>ไม่อย่างนั้นแล้วคนอื่นที่เขามองมาแล้วเขาก็เอาเรื่องไม่ดีของเราไปพูดต่อเนี่ยก็กลายเป็นตราบาปให้กับคนทั้งชาติแล้วนั่นนะจะกลายเป็นการเซตสแตนดาร์ดว่าเอ้ยคนนั้นทำได้ฉันก็ทาได้ใช่ไหมในขณะที่ถ้าเราพูดดีๆเฮ้ยคนนี้ทําดีฉันก็ทําได้เหมือนกันโอ้ยถ้าเราจะทำบาปโอ้ยเราจ ะ, ะอายมากนี<ช>่มันจะปลูกฝังไป<ช>ตรงนี้ด้วย ค่ะนะคะก็ฝากเอาไว้สำหรับการขึ้นต้นปีใหม่ใครที่มีลูกเล็กๆเนี่ยดิฉันอยากจะสนับสนุนอย่างยิ่งเลย ว, ว่าให้สอนให้ลูกอยู่ในสีห้าชีวิตก็จะดีใช่ไม่เป็นภาระกับคุณพ่อคุณแม่เป็นประโยชน์กับตัวเขาเองดูแลตัวเองได้แล้วก็ดูแลสังคมได้ด้วยนะคะกราบน้มสักการขอบพระคุณท่านพบูลเป็นอย่างยิ่งค่ะเท่านฝั่งที่ครบคะส่งท้ายเลยนะคะท่านพบูล อาจารย์ด็อเตอร์สะอาดวัดป่าดอนไยโสกกำลังจะพาคณะผู้ศรัทธาไปสังเวชนิยสถานทั้ง4ี่แห่งและเมืองเล็กเมืองน้อยที่น่าสนใจนะคะทีอ่อินเดียและเนปาลระหว่างวันที่1ถึงวันที่11มีนาคมท่านใดที่สนใจภายในวันอาทิตย์นี้เท่านั้นนะคะที่จะสามารถแจ้งเกจจานงของท่านในการเดินทางร่วมไปได้ซึ่งจะมีการไปปฏิบัติธรรมไปอ่านพระสูตร ที่เหมาะสมกับแต่ละสถานที่ที่ไปกันอย่างจริงจังเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติทมกันอย่างเต็มที่ว่าอย่างนั้นเถอะนะคะอาจาก็ขอให้ท่านติดต่อไปที่เพียวธรรมะ .com p u r e d h a m m a. com โดยตรงได้เลยนะคะภายในวันอาทิตย์นี้สำหรับการของเราวันนี้ก็คงจะพักกันไปก่อนนะคะเพื่อที่จะกลับมาพบกับท่าน ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ขอให้สัปดาห์แรกของปีใหม่ดำเนินชีวิตท่านมากที่สุดสืบเนื่อง ต, อต่อไปในการปฏิบัติของท่านทั้งปีเลยด้วยนะคะพุทธสวัสดีค่ะ